กับโครงการประจันโนดของการพวกเราเพื่อนสาตุ ม, มิกทุกท่านเลยนะฮะก็เจริญพรพวกเราอไม่ฉีเนาะอุบาสกอุบาสิกาเวลาที่เริงต้นอย่างนี้ทุกทีเนี่ย ก, มก็มีความรูสึกว่าอุ้งพุทธบริษัทเราก็ยังแขร่องแข็งเนาะประจันโนดก็นําอยู่ที่นี่ พระที่อยู่ในในที่นี้ก็แข่งขันปฏิบัติกันทุกท่านนะมิชีนะอุบาสอบาสิกาทั้งหลายแะไรก็แข่งขันกันวัน <Okay. S 1> คื น, ร น, น, น, ใ น, ในพระจนาท่่นก็ไม่ได้นิมนต์พระเนาะมาให้อยู่ในสัต์ชิร่วมกันแต่ว่านั่นก็ก็เป็นอะไรนะก็เรียกว่า ท่านก็ได้ชักชวนเนาะพวกเราได้อยู่ลองอยู่ดูในสัตว์ชิกกันตรงนี้ก็ก็มีพระก็อยู่เนาะโยมก็อยู่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพญานุษก็คงชวนเชิญเนะาะมาลองทำความเพียนชอบกัน ต้องทำความเพียรชอบกันพระว่านเลยพระว่ามในสัตช็ทิทีหนึ่งก็ดำลิในการออกจากกามเนาะเหมือนกับการพักผ่อนตอนกลางคืนก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นความสุขเนาะ <laughs> เป็นความสุขส่วนหนึ่งดำลิในการไม่มง่งลายนอะอย่างนี้เนาะการทำความเพียร หรือเนรสัตชิกก็ไม่ได้มองร้ายหมายขวัญใครนะดำลิในการไม่เบียดเบียนอย่างเี้เนาะความดำริอันนี้ก็เป็นการไม่ได้เบียดเบียนใครอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นหมือกระทั่งบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่างไม่เบียดเบียนตัวเองหรอกเพราะว่าเพราะว่ายัางไงเพราะว่าชีวิตเราก็คงเคยเห็นเนาะ การแบบว่าผู้คนที่เ <c oughs> ขาเรียกว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเนาะด้วกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นเนาะกินเหล้าอย่างนี้เนาะอาทิเช่นเล่นไพ่อย่างนี้เนาะอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนาะตั้งแต่หัวค่ําแล้วก็ตะเบนไปหาหนู่นหาหนี่กินเนะาะจะกระทั่งเดึกเด่นค่อนคืนยุคเทพนี่บอกได้เลยนะว่าหลังเที่ยงคืนเท่านั้นนะถึงจะกลับเข้าบ้าน <c oughs> ก่อนหน้าเทีงคืนนี้ไม่มีการนะเพราะนั้นคือเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองอยู่ทุกวันทุกวานนะ้ำอย่างนั้นแต่ว่าการที่การที่เรามาทําความเพียรนะความเพียรชอบอันนี้เนี่ยคือเพียงแค่เราเหมือนกับว่าเราได้เขาเรียกว่าได้ลองเนาะลองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นความเพียนชอบเนี่ยมันก็จะมีสิ่งอื่นๆเนี่ยตามมาเนาะม้วนแยะไปหมดเลยอย่างเวลาที่เราสวดเนะาะอริยมรกมีองแปดอย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าในหนึ่งการกระทำเนาะก็จะมีสิ่งที่ในหนึ่งการกระ ท, ทําที่ที่ถูกต้องที่ดีงามเนี่ยก็จะมีก็เรียกว่า มีหลายหลายข้อเนาะในอรอยิยมรรคมีม อ, องแปดที่ปรากฏให้เราได้เห็นในในคราวเดียวกันคือมันไม่ต้องแยกส่วนว่าอืมอันนี้เราทําการงานชอบอันนี้เราอะไรต่างๆนานาเหล่า น, า น, า น, านี้แต่ไม่ว่าจะเป็นการมองมุมไหนก็ตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ความดีงามตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่มันมันถูกไปหมดเนาะต้องเรียกว่ามันถูกไปหมดแต่ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นผลเนาะของการที่เขาเรียกว่าของการทําความเพ้นชอบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรียกว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็เรียกว่าจะมีผลเนาะที่เราเนี่ยได้เรเียนรู้เนาะความเป็นไปของกายของใจเราเนี่ยก็เรียกว่า หลวงพ่อว่าต้องมีนะต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะที่เป็นเรื่องที่เป็นความจริงของกายของใจเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทุกๆครั้งนี่มือนี่หลวงพ่อบ้านี่คือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบางทีเมื่อก่อนเนาะเราอยู่คล้ายๆว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในมุมของศาสนาจริงๆเนี่ย การที่เราบางทีเราอ่านพระสูตรบางทีเราอ่านอะไรต่างๆมันมันไกลตัวมากนะแต่เวลาที่เรามาอยู่ในล้อมของศาสะนาะได้ด้วยมาปฏิบัติธรรมกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คำสอนนะหรือพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันก็ปรากฏปรากฎชาติโนเห็นเนาะอย่างที่บอกว่าผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน คือถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นเนี่ย น, นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็เหมือนกับจเจอหลวงพ่อกำเขียนครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะเป็นแรงบันดาลใจที่ที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะเรียกว่ายิ่งใหญ่ก็ดูเหมือนกับมันไม่ค่อยพอนะ แต่ตอนนี้ก็คิดสับอันนี้ได้ก็คิดอย่างนี้ก่อนนะอย่างนั้นแต่ว่าเป็นแรงบนรณาจที่สำคัญที่สุดก็ได้นะกับกับโดยเฉพาะตัวหลวงพ่อเองเพราะว่านั่นคือเนี่ยก็การที่มันมีบทสวดบทหนึ่งที่บอกว่าการพบเห็นผู้สงบจากกิเลสเนี่ยคือนั่นนั่นคือสมัยนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่านี่ พระที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราที่ที่มีชื่อว่าหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านเป็นผู้สงบจากกีเลสเราก็ไม่รู้หรอกนะอย่างเนี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าอิน อ, อ, อะไรเขาเรียกว่าเมิตาจิตที่แผ่ออกมาจากตัวท่านเนี่ยมันมันท่านนั่งอยู่มันก็แผ่ออกมาอยู่แล้วนะท่านไม่ต้องพูดไม่ต้องจาอะไรยังไงต่างๆหรือว่าที่เราให้พวกเราฟังว่าแววตาของท่านน่ะ ในเซี่ยววินาทีสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังเห็นเมาตาของท่านนะ่ะ ม, มันมันชื่นใจนะในขณะที่เราดูอย่างนั้นอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกหรอกว่านี่อีกไม่ถึงเซี่ยววินาทีเนี่ยลมพร า, พาก็จะหมดลมหายใจแล้วล ะ, ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือตรงนี้ละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าที่เราแผ่เมตตาเนาะที่เราแผ่เมตตากันทุกวัน นี้ก็คืออย่างนี้แล้วเนาะคือใจดีใจงามเนี่ยที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไปตรงไหนนะต้นมองต้นไม้อะไรมันก็ไม่ไหวหนีเราอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็นึกถึงนะหลวงพ่อก็เป็นผู้นนะําเนาะเป็นผู้นําที่จะพาธรรมญาตราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อ บ, บอกก็ว่าหลวงพ่อ บ, บอกว่าขอเป็นตัวแทนธรรมชาติครับ ในคำว่าตัวแทนธรรมชาติเนี่ยหลวงพ่อก็พูดถึงว่าแม่น้ำล้มป่วยต้นไม้ร้องไห้ใช่ไหมแผ่นดินเป็นอมพาสอากาศเป็นทิษอย่างเงี้ยนะก็นึกถึงคำว่าต้นไม้ร้องไห้ของหลวงพ่อเนี่ยนะก็นึกถึงเลยนะเวลาที่ คนใจร้ายเนาะใช่ไหมเดินเข้าไปในป่าก็นึกถึงแต่อยากจะตัดต้นไม้อวบต้นไม้งามอะไรเงี้นะก็คิดว่าต้นไม้มันคงแบบว่าถอยหนีนะคงเอ็นเอ็นหนีถ้ามันทําได้นะเห็นคนเดินเข้าป่ามาจะตัดถือไม้ถือเลื่อยมาก็คงนักตาล่วงกันเหมือนกันนะกลัวนะรักษาชีวิตของตัวเองอย่างนี้แต่นั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่ของหลวงพ่อเนี่ยมันก็ หมายถึ ง, ขงเขางหลวงพ่อคเขียนเนาะเราก็ได้เห็นนะ ว, ว่าคือความเคลื่อนไหวของท่านทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ได้ได้ได้รู้ได้เห็นนะ ว, ว่าอุ้มพระธรรมเนี่ยมั น, ม, นมันมีจริงๆแล้วก็พระธรรมเป็นสิ่งที่เหมือนกับปรากฏให้เราเนี่ยเห็นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ ความที่เป็นอย่างที่เป็นหลวงพ่อเนาะเป็นผู้สงบจากกิเลสเนี่ยคือแค่นี้เองเนี่ยยังไม่ต้องพูดไม่ต้องจานะแค่อยู่ให้เราดูให้เราเห็นเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยนั่งนิ่งๆเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากตัวนั้นมากมายเป็นแรงมนันันใจให้เราได้เหมือนกับได้เหมือนกับเพียรเนาะเพียรที่จะปฏิบัติธรรมกันทุนี้หลวงพ่อคำเขียนเองท่านก็ได้ทาหน้าที่นี้เนาะ อย่างที่ท่านก็ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะมันมันอยูนในเนื้อในตัวของท่านอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยมันก็ดูเป็นความเคลื่อนไหวทีม่มันเราต้องกลับมาคิดกลับมาคิดแล้วก็ได้กลับมาฉุกใจคิดตลอดเวลาอย่างนี้เนาะวันหนึ่งตั้งแต่เป็นโยมเนาะก็ตั้งใจตั้งแต่เจอหลวงพ่อเขียนเนี่ยก็ตั้งใจอยู่ในใจว่าถ้าเกิดว่าเหมียวกา์ดก็จะเข้ามามา เรียกว่าก็เราชิดภาษาเราใช่ไหมก็คือเข้ามารับใช้หลวงพ่อเนอะาะอย่างนี้ก็เข้ามาที่วัดอยู่เป็นประจำเป็นเป็นหนึ่งเนืองไม่ได้ว่าเป็นประจํา <c oughs> มาทุกครั้งสิ่งที่ทําได้ก็คือ <c oughs> ขับรถขับรถให้หลวงพ่อเนาะ <c oughs> ก็มีอยู่วันหนึ่งก็ขับรถให้หลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยพอกลับมาวันนั้นก็เย็นเนาะเย็นละ เราก็เหมือนกับก็ใกล้เวลาทำ ม, มัดะก็เหมือนกับสิ่งที่พอจอดรถปุ๊บเราก็คิดถึงว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวทำ ม, มัดนะอย่างเนี้ยอย่างก็เหมือนกับเข้าไปจัดการตัวเองปรากฏว่าวันนั้นก็ยังไม่ทันจัดการตัวเองเนก็มีเรื่องที่ต้องกลับมาที่รถอีกทีหนึ่งปรากฏว่าหลวงพ่อ ก, ก็กาลัง ฉีดน้ำล้างรถอยู่กลับมาถึงเขาก็าตกใจนะก็จําได้ว่าตกใจอุย้ยหลวงพา่อไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเองครับเดี๋ยวผมทําเองเนี <laughs> ่ย <laughs> ประกอบว่าหลวงพ่อก็พูดพูดเบาๆนะพอได้ยินมันก็มีกันอยู่สองคนเท่านั้นเอง <laughs> เนียหลวงพ่อก็บอกว่ามันเป็นเพียงกิริยาเท่านั้น <laughs> <c ười> คือเ็าเรียกว่ามันไม่เป็นกรรมเนาะ <c ười> มันไม่เป็นกรรมมันไม่เป็นเขาเรียกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าหลวงพ่อไม่ได้ล้างรถเนาะคือบางทีมันเป็นกรรมเพราะอะไรโอ้ยทำไมต้องใช้เราลางรถมันลาบากลาบนอะไรอย่างนี้เนาะอย่างนี้นคำว่ากรรมของพวกเราใช่ไหมอย่างนี้ <c ười> แต่ว่าคำว่าเป็นเพียงกริยาของหลวงพ่อนี่ก็คือหลวงพ่อก็อาศัยเนาะ กิริยาเนี่ยเป็นเครื่องคลายๆว่าเป็นเครื่องอยู่อย่างเงี้ยเป็นเครื่องอยู่คืออะไรเป็นเครื่องที่ทำความรู้สึกตัวกิริยานั้นความเคลื่อนไหวนั้นจะเรียกลมๆกันว่าล้างรถก็เรียกเถอะไม่เป็นไรแต่ว่านั่นคือทุกความเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวอย่างเงี้ย น, นั่นคือเป็นสิ่งที่คือคพูดเล็กๆของหลวงพ่อเนะี่ยเนาะมันเป็นคาพูดที่หลวงพ่อก็ คือไม่ว่าจะพูดอะไรก็มันก็มุกเข้ามาสูงความรู้สึกตัวได้ไปทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคืมันมันเป็นสิ่งที่นี่คือธรรมะนะที่มีอยู่เต็มตัวของท่านเนี่ยมันเต็มตัวจริงๆนะมันไม่ต้องคิดไม่ต้องแบ่งอะไรเลยว่าภาคนี้เป็นมืดภาคนั้นเป็นสว่างอันนี้เราต้องตั้งใจทําอันนั้นเราไม่ต้องตั้งใจทําหรืออะไรอย่างไงต่างๆแต่มันก็คือมันก็มันก็ ขาเรียกว่ามันก็ปรากฏออกมาให้เราเห็นในทุกลมหายใจของหลวงพ่ออย่างเงี้ยนั่นั่นคือพอเวลาที่เราได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าจำไม่ลืมเนาะจำไม่ลืมเพราะนั้นนั่นคือมันเหมือนกับเวลาที่เราจะล้างรถอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้คิดถึงทุกครั้งเนาะว่าหลวงพ่อเองเนาะก็กุลีกุจอแบบนี้หลวงพ่อบอกว่าเราใช้เขา่ะ คนะาว่าใช้เขาก็คือใช้รถใช้รถแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาแล้วก็ผลเนาะของการที่หลวงพ่อทำแบบนี้เนี่ย <_ h ums> เกิดอะไรขึ้นเนาะรถอิสวสุเนาะของมัดปูกาทองอะมันนั้นก็หลวงพ่อก็ใช้มาสิบปดปี <_ h ums> ใช้มาสิบปดปีก็เป็นรถเก่านะที่โยมเขาถวายหลวงพ่อมา ตบนะ า, ายหลวงพ่อมาก็ไม่รู้เก่ากี่ปีเราก็ไม่ไม่ได้นับแค่เพียงแค่อยู่กับหลวงพ่อมา18ปีนี่ก็พอแล้วล ะ, ละอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่านั่นคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นอีกหลายปีถัดมาอีกเจดแปดปีถัดมาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ทําแบบนี้เป็นนิสัยนะก็คือเวลาที่ท่านกลับไปไหนไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยนะท่านก็จะล้างรถทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง ปกฏว่ารถคันนั้นนะ่ะที่อยู่กับหลวงพ่อมายี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่ต้องทําสี <c oughs> ไม่ต้องทำสีเพราอะไรเพราะดินไม่จับสนิมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเนาะอย่างนั้ น, น, นคือแม้ก็ต้องเป็นรถเก่านะแต่ว่าเนะี่ความที่หลวงพ่อหลวเพ้าก็ดูแลทุกอย่างคือมีเมตตาทุกอย่างใช่ไหมเมตตากับรถอย่างเงี้ยเนาะเราใช้เขาแล้วอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้ น, นะ น, นคือทั้งนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่มันมีเนาะมันมีคือหลวงพ่อเองหลวงพ่อกำเขียนเองท่านบวชเนาะบวชไม่ใช่ท่านบวชท่านมหาหลวงพ่อเทียนเนี่ยเพราะว่าท่านเองท่านก็ติดใจเนาะสงสัยอยู่ในคำว่าบุญกับบาปเนี่ยท้ายสุดเนี่ยท่านบอกท่านก็ได้คำตอบที่ที่หลวงพ่อเทียนนี่ละ ที่ตอบไปท่านได้เพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยท่านก็บอกว่าบุญบาปเนี่ยท่านก็หาคําตอบที่มันแล้วใจไม่ได้นะท่านหาคําตอบแบบนี้ไม่ได้มันก็ค้างคาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่ท่านมาเจอหลวงพ่อเตียนเนี่ยท่านก็ตอบให้พวกเราเนะหมายถึงว่าในหลายกรรมหลายวาระอย่างเงี้ยวันหนึ่งท่านก็บอกแบบว่าอ๋อท่านก็บอกว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรบาปก็คือใจดีใจงาม บุญก็คือใจดีใจงามบาปคืออะไรบาปก็คือกินข้าวแทบไม้ <laughs> ใจไม่ดีใจไม่งามมันก็กินข้าวไม่แทบอะไรอย่างเงี้ยนะคือนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อก็มีมีคำตอบที่ง่ายๆเนาะแต่ว่าการที่จะได้มาซึ่งใจดีใจงามตรงนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นวิธีทางที่เราเนี่ยต้องอาศัยสติ อาศัยความรู้สึกตัวผู้ที่ว่าจะขัดเกลารเนาะสิ่งที่เคลือบใจเราอยู่หลายๆชั้นอย่างเงี้ยตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราก็อยู่กับท้งโลกมานานเนะเาะวนนั้นก็พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้สัมผัสเลยนะว่าอในจิตใจเดิมแท้ของเราเนี่ยันก็ต้องใช้ความเพียรอย่างมากเพราะว่านั่นคือมันมีเรื่องที่ มันมีตัวตนเนาะที่มันเคลือบอยู่ในจิตใจอยู่ยที่เคลือบจิตใจอยู่ไม่ใช่เคลือบอยู่ในจิตใจจิตใจก็เป็นดีเป็นงามอยู่ละล่ะ แ, แต่ว่าสิ่งที่มันเคลือบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรเนาะเป็นกระดาษทรายที่จะขัดถ้าเร า, า, เรามีความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวตนของเราเนาะมันก็จะค่อยๆยหุดออกไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละ น, น้อยตามนเรียกว่า ตามสมควรแ ก, ก่การปฏิบัติของเราตรงนี้ผลวงพ ม, มองว่าคือหลวงพ่อเขียนเนี่ยมุมเล็กมุมน้อยของท่านเนาะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าบอกที่เรียกว่าสอนเราเนี่ยให้เราได้เข้าใจในธรรมเนี่ยอย่างง่ายๆเลยเนาะอย่างก็เรียกว่ามีเรื่องปานะเนาะ อย่างเรื่องปนันะของพระเนี่ ย, ยนะและ้วเมามเขียนท่านก็พูดง่ายๆเนาะแะบบว่าอะไรที่เราหวังอิ่มอะไม่ใช่ปนันะนะมันก็คือไม่บ่อจะเป็นน้ำไม่บ่อจะเป็นนมไม่บ่อจะเป็นอะไรยังไงก็ต่างของขมเคี้ยวในต่างๆยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเหมือนกับว่า ปัะใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าถ้าใจที่เราตั้งไม่ผิดนะใช่ไหมระวังอิ่มหมังอองจากจากเครื่องเครื่องจะเป็นเครื่องดื่มเครื่องชงหรือว่าเครื่องขบเคี้ยวอะไรยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหมังอิ่มปุ๊บอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญนนะละอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวที่อยู่ใกล้หลวงพ่อคมเขียนมาก็ต้องเรียกว่าอืมสิบ ส2บสามปีนะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นจากท่านเลยคือท่านไม่เคยเปิดเปิดก็เรียกว่ากระปุกอุมนตินชงอุมนตินฉันเองไม่เคยมีเลยนะคือ <c oughs> <c oughs> ท่านก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็ก็ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นเนาะ การที่ท่านขบฉันเป็นมื้อเป็นคราวเนี่ยมันก็ได้ได้เห็นได้เห็นท่านท่านไม่มีอาหารว่างไม่มีก็เรียกว่าไม่มีเวลาน้ำชาไม่มีอะไรยังไงก็ฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะเหมือนกับว่าฉันน้ำแล้วก็จบไปจนกระทั่งถึงเวลาที่นิมนต์ฉันเพลเนี่ยท่านก็ ชันเพนแล้วก็ฉันน้ำเสร็จก็จบไปถึงเวลาปานะตันเย็นถวายท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยระหว่งนั้นไม่มีนะไม่มีไม่มีอะไรที่ที่ท่านจะเหมือนกับว่าท่านจะเรียกหาถ้าเราถวายก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะให้เป็นตัวของท่านเรียกหาเองจะไม่มีอย่างเงี้ยนั่นคือพอเวลาที่ เราอยู่กับท่านอย่างเงี้ยนะเราก็มองเห็นสิ่งต่างๆคือมันไม่ใช่เป็นแค่แค่เพียงครั้งเดียวอะ่ะแต่มันเป็น1ิบกว่าปีที่เราอยู่กับท่านแล้วก็บังเอิญว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดท่านบพว่าเหมือนกับเหมือนกับเวลาที่ท่านป่วยก็ก็เหมือนกับต้องคอยช่วยเหลือท่านเนาะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะคิดว่า ดูแลท่านนะเพราะมันไม่ได้ดูแลท่านคอยช่อยเหลือท่านในบางอย่างที่ท่านทำไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นกนคือตรงนั้นก็เราก็เหมือนกับว่าเหมือนกับได้เข้าไปแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาเข้าไปก็ก็เหมือนกับมันก็เลยมันก็เลยเป็นความก็เรียกว่าเป็นความที่เราก็ อยู่กับท่านตั้งแต่นับจนตื่นอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นก็เลยได้เห็นได้เห็นอะไรหลายๆมุมที่บางทีก็คนอื่นก็ไม่ทันเห็นอย่างเช่นที่ก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอๆนะว่าไม่ไม่เกินสองอาทิตย์สุดท้ายของของหลวงพ่อที่จะหมดลมหายใจเนี่ยน่าจะประมาณสักสิบวันอะไรอย่างนงี้นะ จำวันที่ไม่ได้แน่นอนนะแต่ก็จำได้ว่าท่านก็ตื่นมาเข้ า, าห้องน้ำตอนตอนดึกตอนช่วงประมาณสักตีสองอย่างเงี้ยเวลาที่ท่านจะตื่นเข้าห้องน้ำทีหนึ่งท่านก็จะระมัดระวังเนาะไม่ให้ไม่ให้พวกเราที่อยู่อยู่ดูแลท่านตรงนั้นอะ่ะตื่นกันท่านก็จะเบาๆเยบ็บๆยอย่างเงี้ยนะซึ่งท่านก็จะทำเป็นวิสัยไม่ใช่ว่าทาเป็น ต้องต้งระหวังเราในนาทีนั้นหรืออะไรยังไงแต่ว่าท่านท่านก็เป็นนิสัยเป็นนิสัยของท่านจะเห็บจะหยิ บ, จ ะ, ยบจะวางจะนุ่นจะนี่อะไรงไงต่างๆท่านก็ท่านก็มีเมตตา ก, กับทุกสิ่งค่ะเนาะจะเปิดก๊อกท่านก็ไม่โพลดพลานเพราะว่าท่านก็ไม่เบียดเบียนเขาอะไรอย่างเนาะอย่างนั้นจะวางข้าวของสิ่งของอะไรต่างๆนาน า, นาเหล่านี้จะเป็นถุงพลาสติกที่ก็เรียกว่าอืม สวมมุ้งครอบอยู่สมัยก่อนมุงครอบมันเป็นมุงครอบพลาสติกมุงครอบที่มีถุงพลาสติกนะถุงพลาสิิงนั้นจะเป็นถุงพลาสติกกรอบๆมันก็จะนั่งกรอบแกรบกอบแกรบอะไรเงี้ยนะเวลาที่ท่านจับถุงนะท่านก็คิดว่าท่านคงเห็นบุญคุณของถุงอยู่นะเพราะว่าถุงก็จะเป็นตัวที่เก็บมุง ให้ใช้ได้นานๆอย่างเงี้ยนะให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองที่เหมือนกับว่ายุงไม่ต้องกัดตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเี้เพราะนั้นนั่นคือเวลาที่ท่านจับเข้าจับของพวกเนี้ยมันจะเป็นความนุ่มนวลแล้วมันก็จะไม่เสียงดังเอะอะโวยวายให้คนอื่นบุบไหวเวหาที่เราเห็นแบบเนี้ยเราก็เห็นต้องเลือกว่าเห็นกับทุกขนาดจิตของหลวงพ่อเนาะแต่ว่าคืนวันนั้นเนี่ยท่านก็ เคยเข้าห้องน้ำตามปกติของท่านแล้วท่านก็ออกมาวันนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่ว่าก็นอนนอนอยู่แล้วก็ดูดูท่านเพราะว่าจะนอนอยู่ใกล้ๆห้องน้ำเนาะแล้วก็ก็มองดูท่านอยู่ท่านไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าก็จะมีแสงไฟอะไรจากข้างนอกพอให้เราได้เห็นนี่ย พอท่านออกจากห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านมาทำท่าแบบทหารเนาะทำท่าทหารแบบว่าคำว่าทำท่าทหารก็คือเหมือนกับว่าย ก, ยกแข้งยกขาอย่างอย่างเหมือนกับที่ทหารก็เดินสวนสนามกันอย่างเงี้ย น, นะก็ในใจก็นึกถึงนะว่าหลวงพ่อก็เป็นแม่ทัพรำอยู่แล้วเนาะอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ท่านเองท่านก็ คิดาสิ่งที่ท่านทําตรงนั้นน่ะมันก็คเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านก็ตามอย่างเงี้ยเนาะท่านก็เหมือนกับว่าคำว่าไม่ได้ไม่มี <c oughs> นั่ น, นคือเราก็จะได้เห็นหลวงพ่อ <c oughs> อยู่กับความป่วยไข่อยู่กับมะเร็งอยู่กับอะไรต่างๆนา น, นาเหล่านี้เนี้ยอย่างที่ท่านไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรกับอะไรอะเนาะอย่างเนี้ย ไม่เป็นก็นอะไรก็ไรเลยอนันต์นั่นคือท่านก็แข็งขันอยู่ตลอดเวลาท่านก็เหมือนกับเต็มที่เนาะตลอดเวลาคำว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคำว่าไม่ได้เป็นไม่มีอะไรต่างๆอย่างนี้คือหลวงพ่อก็ได้ทําอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างเนี้ยนะได้ทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากมันมันคล้ายๆว่ามัน ต่อเนื่องมาจนกระทั่งไม่มีความตั้งใจอะไรเป็นพิเศ ษ, ษแต่ว่ามันก็งดงามงดงามไปในทุเกเขาเรีกยกม่ในทุกลมหายใจในทุกลมหายใจนั่นคือเวลาที่เล็กๆน้อยๆนะอย่างอธิเช่นนะอย่างในช่วงเนี้ยช่วงสุดท้ายสุดท้ายของของช่วงชีวิตของท่านอย่างงี้นนะอาจารย์ตุม้มมีเข็มไหม <laughs> ท่านก็อายุ78แล้วนะ ท่านยังสนเข็มเนาะแล้วก็ท่านก็ยังซ่ำจีบอนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> จีบอนคือในใกล้ๆในวินัยบัญญัติอย่างเงี้ยเนาะจีบอนใช่เหมือนกับว่าอย่าให้อย่าให้ขาดเนยอย่าให้ทำลายอะไรต่างๆั <c oughs> <c oughs> นั้นคือท่านก็สอนเนาะเวลาที่ เวลาที่ท่านเป็นพระอุปชาเนี่ยท่านก็จะแนะนำมันนียู่ตลอดเวทานะจีบอนเนี่ยต้องมีอยู่ชุดเดียวนะต้องระวังนะอย่าให้สกดปลกนะอย่าให้เหม็นสาบอย่าให้เหม็นคาวนะอะไรเงี้ยมีรอยขาดอะไรเงี้ยก็ต้องซ่อมทันทีนะอย่าปล่อยให้รอยขาดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นต้นเหตุให้จีบอลขาดจนใช้ไม่ได้ ท่าตรงนั้นก็เห็นนะพอเวลาที่หลวงพ่อแม่ก็ทั้งช่วงสุดท้ายก่อนจะไท่านก็ใช้จีวอลน้อยมากแล้วเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ของท่านก็คือท่านก็ตันหลังท่านก็จะใส่เวลาที่ท่านก็จะมีกางเกงแล้วก็จะมีเสื้อแขนยาวจะคลุมจีวอลบ้างก็เป็นหมายถึงว่าเป็นเฉพาะใบหนาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออาศัยกางเกงกับเสื้อสีกลับาเพราะว่าตรงนั้นก็จะสะดวกกับการ ดูแลของของคนรอบๆข้างอย่างเงี้ย น, นั่นคือตรงเนี้ยเราก็มองเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนานะที่ที่มีอยู่ในในความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าจะเป็นความคิดเนาะจะเป็นคำพูดหรือจะเป็นการกระทาอย่างเงี้ยเนานะควอนุภาพมันก็มีสติเนาะเป็นวินยนะัยเนาะ มันงดงามงดงามไปหมดเนะพราะมาจะเป็นคําพูดก็ยกตัวอย่างให้พวกเราฟังเยอะๆนะว่าหลวงพ่อก็คําพูดที่งดงามมากๆของท่านอะย่าง น, นนะจะเป็นความคิดนะก็คือมีแต่ความคิดที่เหมือนกับว่าแจกของส่งตะเกียงนะคำว่าไม่ได้ไม่มีอย่างเงี้ย น, นะหลวงพ่อก็มา พ, พูดให้เราฟังนะว่าโอ้นี่เวลาที่ป Ł ่วยอยู่ในห้อง ICU ีอ้าวพวกเรากลับไปได้แล้วนะอย่างเงี้ย นี่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาส่วนตัวของหลบงพที่สุดเนก็คือเวลาที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ไม่ต้องปลูกต้นไม้ไม่ต้องดูแลพระไม่ต้องอะไรต่างๆนานาหล่านั้นนั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ท่านก็ทำแต่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าเป็นภาร ะ, ะอะไรหรอกนะแต่ว่านวันที่ท่านนอนอยู่บนเตียงใน ICU เนี่ยตงนั้นก็คือ หมอก็แม้กระทั่งอาหงอาหารอะเงยหมอก็ป้อนเข้าปากท่านอย่างเงี้ยนะด้วยสายยางอย่างเงี้ยเพราะนั <c oughs> ้นนั่นคือท่านก็บอกว่าั้นท่านไม่ต้องมีภาระอะไรเลยอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นนะว่านั่นความคิดของท่านก็สะอาดสดใสามากๆคำพูดของท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยได้ตลอดเวลา การกระทํากับด้านก็ไม่ต้องนั้นนะก็เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็เห็นเป็นแรงบันดาลใจมานั่นก็คือตรงนี้ก็อนุโมทนากับทุกคนที่มีหลวงพ่อคําเขียนเนาะเป็นแรงบันดาลใจมีพระธรรมของหลวงพ่อคําเขียนเป็นแรงบันดาลใจได้พวกเราได้เหมือนกับว่าได้ค้นคว้าหาพระธรรมของพระ เ, เจ้าหรืออะไรต่างๆนาน า, นาเหล่านี้นนั้แล้วก็ตรงนี้ลนะก็เป็นสิ่งที่เราสร้างเหตุที่ดีเนี่ย คนที่ดีก็จะเกิดไม่ใช่เกิดเฉพาะเราเกิดกับคนรอบข้างเกิดกับโลกเกิดกับในต่างๆนานาเองนี้ก็ขอให้การปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายเนาะจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดของพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนั้นแล้วก็ตัวนี้ละความรับผิดชอบของพวกเราก็จะทำให้พวกเราไม่ถูกแล้วก็ความรับผิดชอบของพวกเราก็จะทำให้คนอื่นไม่ตกไปพร้อมๆกันกับตุกๆการกระทาของเรา กาป่าพร้อมกันอาลังส <c oughs> ัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนามสามิ ปัตติปันโนภาคารโตุสาวากาสร้างโคสร้างทางนามา